วันใดนั่นเองทุกคนก็สะดุ้งขึ้นพร้อมกันหมดเสียงวิทยุประจำตัวที่ต่างติดเข็มขัดอยู่ปรากฏเสียงออดเรียกดังขึ้นทุกเครื่องจากกระแสะคลื่นที่ถูกส่งมาบังคับอันแสดงว่ามีวิทยุประเภทเดียวกันอีกเครื่องหนึ่งส่งสัญญาณเรียกมาด้วยระบบคลื่นเสียงกระทบสื่อเฮเสียงขีดร้องลั่นออกนะก้มลงดูวิทยุของตัวเองและวปรดออกมาดูโดยเร็ว โวยวายต่อไปว่าเฮ้ยไออตรีกดขึ้นส่งสัญญาณว่าเนี่ยขณะนั้นไม่มีบุคคลในกลุ่มคนใดแตะต้องหรือกดสัญญาณเรียกขึ้นเลยทุกคนหน้าตื่นเลิกลากกันไปหมดคิดจำได้ว่าบุญคันถูกมอบไว้ให้ประจำตัวเครื่องหนึง่งจึงมองไปทางนั้นร้องถามเป็นภาษาของตัวว่านี i, ่กะเท้าดันเสื้อกดสัญญาณเรียกขึ้นหรือเปล่า เชอด ว, วุฒช่วยแปลร้องถามโดยเร็วบุญคำสั่นหัวแล้วแทนคำตอบแกล่วงมือลงไปในย่ามหยิบวิทยุที่ให้ประจำตัวไว้ขึ้นมาชูให้ดูแสดงว่าไม่ได้ไปแตะต้องอะไรมาเลยว่ะ อ, อะไรกันวะเนี่ยจะว่าหูฝากก็ใช่ที่ตะกี้เสียงมันดังเรียกขึนอนิว่ะและ้วก็ดังพร้อมกันหมดทุกเครื่องของพวกเราที่นั่งกันอยู่ครบลั่นไปหมดด้วยอุปท า, านว่ะ ก็จะมามั่วสงสัยร้องโวยวายอยู่หาหอก็ได้วะก็ปอดสวยเปิดวิทยุเขา้าเชิดบุตรร้องออกมาพร้อมกับดึงเครื่องของตนขึ้นเปิดสวิทตทันทีและทุกคนก็เปิดเครื่องรับส่งของตนที่มีอยู่ขึ้นพร้อมกันหมดเพะว่ายังไม่มีใครกรอกคําพูดใดๆลงไปเชิดบุตรจึงตะโกนขึ้นดังๆว่านี่จากมนุษย์กลุ่มทุเรศที่สุดเรียกสวรรค์หรือนรก ที่ไหนก็ได้ถ้าได้ยินให้ตอบมาด้วยเว้ยจะเรียกทำไมล่ะครับนรกหรือสวรรค์น่ะเพราะทั้งสองแห่งนะ่ะมันตอบพวกคุณไม่ได้หรอกเสียงเรียบเรียกแต่ชัดเจนที่สุดดังแว่ออกมาจากลำโพงของวิทยุมือถือทุกเครื่องทำว่าทุกคนตัวแข็งตะลึงพรึงเพลิดกันไปหมดรัพินนะักคุณนะ กลุ่มนายจ้างทั้งหมดยกเว้นคริสติน่าผู้นั่งจังงังชนิดพูดอะไรไม่ออกร้องขึ้นเสียงสนั่นเป็นเสียงเดียวกันเงียบไปแค่อึดใจเดียวเสียงก็ตอบมาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยว่าอ่ะแล้วถ้าไม่ใช่ผมแล้วพวกคุณคิดว่าเป็นผีห่าซาตานที่ไหนล่ะทั้งหมดถลันพลวดขึ้นยืนทันที แม้แต่พวกกลุ่มพลานพื้นเมืองและลูกค่ะเพราะต่างจนเสียงที่ก้องมาจากลำโพงวิทยุของฝ่ายนายจ้างที่เร่งวอลลุ่มไว้เต็มที่ได้มันเป็นเสียงของระพินไพยวันแล้วก็ชัดที่สุดเหมือนว่าเขาพูดอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองคิดถึงกับกระโดดตัวลอยแฮกปาก็มาว่าเรสวร์ทรงโปรดไอเสือนั้นยังอยู่เว้ยเขาไม่ตาย จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซนต์ของความหวังดันเสือเป็นจริงขึ้นมาได้นี่ระพินพวกเรากำลังร้อยไฟโซมอยู่แล้วจะลงไปเก็บกระดูกคุ้นอะเสียงสะบท ด, ดามายัางหงุดหงิดจะเก็บกระดูกผมไปทำหาอะไรวะพูดบบบ้าคิดเนื้อผมทุกส่วนยังหุ้มกระดูกดีอยู่นะว้ยเสียงโห่ร้องอย่างยินดีของคณะพัก ประสานกันขึ้นโดยไม่ต้องนัดหมายทุกคนอยู่ในภาวะตื่นเต้นยินดีขีดสุดจะมีก็แต่คริสตินา่าคนเดียวเท่านั้นที่คงนั่งตะลึงนิ่งระหว่างที่พวกนั้นกำลังลิงโลดโวยวายกันอยู่ใบหน้าซีดเซียวของหล่อนปรากฏริ้วเลือดแล้วก็ซบหน้าลงกระฝ่ามือทั้งสองไหลทั้งสองข้างสะเทือนปลอนหัวเราะกับร้องไห้ปนกันไป ไม่มีใครสนใจจะหันมาเห็นได้ในขนาดนั้นราพินนี่ผมสตาลีพูดหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เอ่ยขึ้นอย่างชั่นช้าหนักแน่นและชัดเจนที่สุดทำให้พรรคพวกที่กำลังเอตโรกันอยู่เงียบสงบลงทันทีและเงียบหูฝังบรรยากาศในขณะนี้มันเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือแล้ว ดพินเราทุกคนเข้าใจว่าคุณตายในกองไฟแล้วแล้วก็นั่งเป็นทุกวิตกอยู่จนทําอะไรไม่ถูกไม่คิดเลยนะว่าจะได้ยินเสียงเรียกวิทยุจากคุณขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นยังไงมั่งผมปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างครับอยู่บนไหลเขาด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพวกคุณในขณะนี้ห่างออกไปประมาณไมครึ่งเท่านั้นเอง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 เราคิดว่าคุณติดอยู่ในทะเลเพลิงนั่นหาทางออกไม่ได้เสียงหัวเราะดังมาเบาๆก่อนจะมีคำตอบว่าผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าพวกคุณจะมาวิตตกเป็นห่วงอะไรกับผมเรื่องนี้มันได้สาระเกินไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลพอที่จะต้องคิดห่วงกันมากมายถึงขนาดนั้นไฟมันดักขวางอยู่เบื้องหน้าผมผมก็พยายามให้พวกคุณและพวกลูกหาบล่วงหน้าออกไปก่อนจนหมด แต่ผมออกทางเดิมไม่ได้แนวไฟอมันขยายวงกว้างดักหน้าไว้หมดผมก็ต้องยอมเสียเวลาหน่อยอ้ อ, อมหลีกแนวไฟที่ไล่ล้อมมาโดยต้องเดินในระยะทางห่างอีกราวสามไมครึ่งอ้อมทุ่งตัดเข้าดงเล็กของป่าปโปร่งที่เห็นอยู่ซีกซ้ายมือน่อนแล้วก็ตัดทางขึ้นไหลเขาลูกนี้ก็แค่นั้นเองอะไรที่ทำให้พวกคุณคิดว่าผมจะเซอร์ไไฟมันลอ้อมเผาทั้งเป็น จนถึงก็ต้องพอวงห่วงเป็นทุกเป็นร้อนกันอยู่แบบนี้คิดเชิญบุตเบรและสแตนลีมองตากันเบนนั้นทำท่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกแงนขึ้ น, นอมองท้องฟ้าอันจ้าไปด้วยแสงตะวันพึมพำออกมาว่าแสงเฮฟฟนโอ้ยไปจะประคุณเลยนี่เขากลับแสดงความแปลกใจซะอีก ที่เพิ่งจะรู้ว่าพวกเราเป็นห่วงเป็นทุกข์ห่วงเขาถ้าตายชักคนคนนี้ช่างเหลือรับจริงๆสตาลียิ้มขึ้นมกับวิทยุในมือบัดนี้กำลังใจของทุกคนกลับคืนมาดังเดิมนะพยายามใช้เสียงพูดให้เป็นปกตินี่ระพินไม่ใช่แต่ตัวผมเท่านั้นนะ ที่คิดว่าคุณกรอบเตรียมเหลือแต่กระดูไปแล้วพวกลูกน้องคุณเองและลูกหาบทุกคนเขาก็คิดอย่างนั้นอ้าวพวกนั้นบอกคุณเหรอว่าผมตายไปแล้วเสียงย้อนถามมาทาเอาแสาลีชะงักไปจริงสินะบุญคำหรือจันเกิดเซยก็ไม่มีใครพูดเช่นนั้นสักคนแต่เท่าที่เขาสังเกตเห็นน่ะ อาการจ่อยและเงียบขึ้นของลูกน้องทั้งสี่ของรพินมันก็น่าจะทําให้เข้าใจอย่างนั้นเล่าสี่คนนั้นเขาก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นหรอกงั้นเลยนึกว่าถ้าคนใดคนหนึ่งบอกพวกคุณแบบนั้นเดี๋ยวผมจะเตะมันเองแต่ทุกคนผมหมายถึงลูกน้องสี่คนของคุณแล้วก็พวกลูกหาดนะ าก็น่าแห้งกันไปหมดนะคุณเรารู้ว่าพวกเขาก็วิตกถึงคุณไม่น้อยไปกว่าเราอะโธดเตอร์ oh, อย่าไปสนใจดูอาการของเจ้าพวกนั้นเลยถ้าหน้ามันจะแห้งมันก็แห้งของมันอยู่อย่างนั้นตลอดศกนั่นแหละมันแห้งเพราะมันอยากกลับบ้านแต่จะไม่มีใครกลับไปได้กลับใดก็ตามที่ผมยังไม่กลับแลวขอขอบคุณทั้งคุณแล้วก็คิด ที่สวมชุดกันเพลิงเข้าไปช่วยคนของเราออกมาตอนนั้นผมยังเห็นอยู่นะเพราะควันยังไม่มากนักว่าแต่พวกคุณเะปลอดภัยกันดีทุกคนหรือเปล่าประโยคหลังเขากลับย้อนถามมาก็ปลอดภัยกันดีหมดทุกคนแหละแต่จะมีใครชักดิ้นชักงอเกือบตายมั้งก็ก็เพราะความเป็นห่วงคุณนั่นแหละคิดโพ้งสูนออกมาอ๋เอเน้นคิด เสียงของคุณยังร่าเริงแจ่มใสดีอยู่มากนก่อนอื่นขอให้ผมได้ยินเสียงพวกคุณได้ครบหน่อยสิคิดกับด็อกเตอร์ผมรู้แล้วล่ะว่าปกติได้อยู่แล้วเบลกับคริสล่ะเฮฮันเตอร์ฉันดีใจฉันบอกไม่ถูกนะที่คุณรอดปลอดภยัยแลวก็ยังมีชีวิตอยู่อิสเบลพูดกับพิทยุในมือที่ถือเตรียมพร้อมอยู่ของหลอนด้วยเสียงที่แจ่มใสปิติ เขาเรียกหาคริสเหมือนจะให้รายงานตัวผู้ถูกเรียกหายังเงียบเมื่อทุกคนหันมาก็เห็นคริสติน่ายังนั่งเอามือปิดหน้าโดยซบอยู่กับเข่าเช่นนั้นเชิดวุฒเดินเข้าไปหาซุดตัวลงและส่งวิทยุของเขาไปให้พร้อมก็บอกว่าคริสเขาต้องการได้ยินเสียงของคุณน่ะ ้ะพินยังอยู่ยังไม่ตายคุณพูดกับเขาสิว่าคุณดีใจที่เขาปลอดภัยคริสติน่าเงยหน้าขึ้นกัดริงฝีปากน้ำตายังพราวเปียกชุ่มขนตาแต่ยามนี้อาจจะดูเป็นเหนือก็ได้ลอนสะบักผมแล้วพูดกับวิทยุในมือของเชิดบุตรด้วยเสียงเรียบเรียบว่าผิดหวังมากสำหรับฉัน ไพวันฉันคิดว่าคุณน่าจะลงนรกไปแล้วนะเสียงหัวเราะดังตอบมา <c oughs> ขอบคุณที่ผ่อผมอแปล ว, ว่าพวกคุณสี่คนรวมทั้งคุณเชิดบุษยอยู่กันครบต่อไปนี้ผมขอพูกับคนของผมหน่อยตะคำะเบลยืนอยู่ใกล้บุญคำที่สุดบุญคำเองก็ถือวิทยุอยู่ในมือแต่ยังไม่ได้เปิดเครื่อง เราจึงส่งไปให้พร้อมก็ บ, บอกว่าฮนะบุญคำผู้กระํนำนายของเธอหน่อยเขาต้องการได้ยินเสียงเธอนะ่งสมุนขวาจอมเซียนของระพินกับพรฤตาปริ ป, ปรปิและยื่นปากเข้ามานายนี่อํคำนะบุญคำเราไปพูดอะไรให้หนายห้างพวกนั้นตกใจเหรอบุญคำเปล่าพูดเหนไห ได้พูดอะไรสักอย่างก็นั่งรอนายอยู่นี่แต่านายหายไปนานเหลือเกินน่ะแกบอกเสียงอ่อยๆพวกเราเป็นไงมาไม่มีใครเป็นอะไรมากหรอกนายแค่นังพอมอั่งนิดหน่อยเท่านั้นอืมดีแล้วข้าวของสัมปาระละ่ะมีอะไรขาดหายตกหล่นไปมั่งไหมไม่ต้องห่วงให้เรื่องนั้นหรอกนาย สัม bara ทุกชิ้นของเราน่ะหลุดหาพเอาออกมาได้เรียบร้อยหมดดตรตสเตลีพูดแทรกขึ้นไปบ้างแล้วต่อไปว่าคุณปลอดภัยเรียบร้อยดีทำไมถึงไม่วิทยุบอกมาให้เราทราบบ้างน่ะนี่เงียบหายไปเลยทำให้เราทุกคนคิดว่าคุณตายในกองไฟแล้วและขณะที่เราหลุดพ้นออกมาจากไอ้ทุ่งนรกนั้นมาได้ มันั่งคอยอยู่ตรงนี้มันก็ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็เพิ่งได้ยินเสียงคุณเดี๋ยวนี้แหละผมก็ต้องขออภัยในเรื่องนี้นะครับที่ทำให้ทุกคนกังวลเสียงพรานใหญ่ตอบมาในสภาพปกติของเขาเพราะผมไม่คิดไงว่พาพวกคุณจะคิดไกลไปถึงขนาดว่าผมจะต้องถูกไฟเผาอยู่ในทุ่งนนก็ ค, คิดว่าเป็นเรื่องจาเป็นต้องแยกกันชั่วคราวตามปกติธรรมดา เดี๋ยวก็พบกันเองเพราะผมอ้อมทางมาได้ก็ไต่ขึ้นไหลเขาจุดหมายของเราจะต้องเดินมายัางตำแหน่งนี้อยู่แล้วนี่ผมขี้เกียจเสียเวลาเดินวกไปสมทบกับพวกคุณตรงนั้นเพราะมันจะอ้อมเปลืองเวลาเข้าไปอีกก็ตั้งใจว่าจะมาให้ถึงซะก่อนแล้วก็วิทยุบอกข่าวให้เดินตามมานี่ตอนนี้ผมก็มาถึงที่หมายแล้วโธ่ไรยำหมาเลยหอกอหักดูพวกทานี่ อ้เราแล้วเป็นห่วงทักตายงอกลับไปนั่งสบายใจเฉบรออยู่ข้างหน้าแล้วโถวคิดสมบดอุบอิดในลำคอถอดมาเป็นภาษาไทยก็คงได้ความทำนองนั้นธรรมชาตบุตผู้เพ่งจะพ้นจากความวิตกเป็นทุกข์รอ ก, ก้ากออกมากระพินไอคิดมันดาพี่่ะได้ยินเปล่าดาผมเออดาเรื่องอะไรไม่ทราบ ทานใหญ่ถามมาเฮ้ยไม่ได้ดาวเว้อยอย่าไปเชื่อไอ้คนตากเสียนี่แลยเจ้าเงพวกเราทั้งหมดรอกันอยู่ด้วยความเป็นห่วงอยู่ตรงเนี้ยคุณกลับผินไปดักรออยู่ข้างหน้าแล้วจะเราตามไปสมทบเดี๋ยนี้ใช่เปล่ารพินเงียบไปกึ่งอึดใจแล้วก็บอกมาว่าตอนนี้มันก็บ่ายโมงเสษก็ไปแล้วนะพวกคุณอาจจะหิว แลตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรรีบร้อนที่จะต้องมาพบผมซะก่อนเพราะฉะนั้นก็มีข้อแนะนำว่าพวกคุณและลูกหาบทุกคนน่ะกินอาหารกลางวันกันที่นั่นก่อนก็ได้เพราะไหนๆก็พักกันอยู่ตรงนั้นแล้วส่วนผมก็จะรออยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องห่วงพอเสร็จก็ค่อยตรงกันขึ้นมาแล้วกันกระพินบอกให้แน่ชัดอีกทีสิว่าขณะนี้คุณอยู่ตรงไหนของไหลเขา ลูกนี้กันแน่แล้วก็ห่างเท่าไรจากที่นี่หัวหน้าคณะถามไปโดยเร็ ว, รวผมอยู่ตรงเบื้องใต้หน้าผาใหญ่ถ้าขึ้นมาพวกคุณก็จะต้องไต่ขึ้นมาอีกสองช่วงคิดว่าไม่เกินสามสิบนาทีก็คงจะถึงแหละขอยสังเกตรูปของภูเขาที่เป็นตัวอินทรีย์พังงาดมันจะตรงกับหัวปีกด้านซ้ายบุญคำเข้าใจดีจะนาขึ้นมาได้อย่างถูกต้อง ระยะต่อไปนี้เราจะไต่เขาไปตลอดและพักค่ำบนไหล่เขาตอนใดตอนหนึ่งสุดแต่ว่าเราจะไต่กันไปได้แค่ไหนครึ่งหลังของวันนี้จะปีนเขากันตลอดหุนทางระยะนี้ก็ยังไม่ลำบากมากนักหาะท่นั้นคุณรออยู่ตรงนั้นแหละเราจะขึ้นไปสมทบเดี๋ยวนี้รอกินอาหารพร้อมกันด้วยเราอยากพบคุณโดยเร็วที่สุดสเตลีตัดสินใจทันที ซึ่งก็ตรงกับความต้องการของทุกคนถ้งงั้นก็ให้บุญคำนำขึ้นมาได้เลยครับผมจะร อ, อะตกลงเราจะไปเดี๋ยวนี้แหละเปิดวิทยุทเตรียมพร้อมไว้ด้วยะ่ะเผื่อผิดทิศทางยังไงจะได้คอยสอบถามกันได้เสียงทางโน้นรับคำมาแล้วก็เงียบกริบหายไปทันทีสเตลีสั่งเก็ผ้าพลาสติกที่ขึงบางแดด แล้สั่งให้ทุกคนเคลื่อนที่โดยเร็วเพื่อไต่สูงขึ้นไปตามไหล่เขานั้นทุกคนไหวกายเตรียมพร้อมทั้งหมดยกเว้นคริสตินา่าซึ่งยังนั่งชันเขา่าเอามือเท้าคางอยู่ที่เดิมเชิดวุตรผู้คอยห่วงสนใจอยู่ก่อนแล้วหันมาเห็นก็เดินตรงเข้ามาก้มลงจับแขนไปคริสประเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นดะพินผู้ซึ่งเราไม่คิดว่าจะได้เห็นเขาอีกแล้ว โดยไม่ได้มองสบตาหากแต่ยังมองไปยังทุ่งเพลิงข้างล่างคริสติน่าพูดขึ้นว่าแล้วคุณคิดว่าฉันอยากจะเห็นหน้าคนใจโหดคนนั้นนักหรือฉันอยากพบเขาเหมือนกันแต่อยากจะพบในกองไฟนั่นซะมากกว่าพร้อมกับพูดหล่อนบุยปากลงไปยังทะเลเพลิงเบื้องหน้าเทียดวุธสายสีสัดช้าๆแล้วถอนใจเฮือกกระซิบ นี่คริสไม่ใช่ไม่ใช่คุณฝ่ายดียหรอกนะที่ห่วงหาถึงเขาแต่เขาก็ห่วงหาอาธรถึงคุณเช่นกันผนทางข้างหน้านะยังอีกไกลนะักเขาอาจสนใจคุณมากขึ้นกว่านี้ตามที่คุณปรารถนาก็ได้คราวนี้แม่ผมทองศกตาเขาส่งมือไปให้จับแล้วเหนี่ยวกายดึงขึ้นยืน ทุกคนล่วงหน้าปีนไปแง่เขากันไปหมดแล้วคงมีแต่หล่อนและเขาเท่านั้นที่ยังรังท้ายหล่อนกระสิบบุตรคนที่ฉันควรจะคิดถึงให้มากที่สุดในขณะ น, นี้ก็ควรจะเป็นคุณนะคุณดีกับฉันหลือเกินบุตรแต่ขน่าเสียดายนะที่คุณไม่ได้คิดถึงผมเลย แต่กลับไปคิดถึงคนที่เขามีโซดรวนล่ำหัวใจเอาไว้แล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบถูกต้องยุติธรรมเลยนะมันผิดฝาผิดตัวอยู่เสมอแหละคริสติน่ากอดเชิดบุตรไว้ซบหน้าลงกระไลบุตฉันจะพยายามรักคุณจากพยายาม ขณะนั้นก็มีเสียงตะโกนของคิดดังเตือนลั่นมาว่าเฮ่บอทของชูมูฟ that's not a place for making love เชิดบุตป้องปากตะโก้ไล่หลังไปว่า damn shit go ahead otherwise i fuck you และประโยคหลังเขาก็ด่ามันดามันไปด้วยภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำในคีชูกำปั้นราที่ถูกเชิดวุฒิด่าเอาอย่างแสบที่สุดแต่ก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรลงมาอีกคงบายหน้าตีนตามแก่งแ่ายหินติดตามภรคพวกภายใต้การนำของบุญคำขึ้นไปทันทีเชิดวุฒิก้มลงเก็บ M16 แบบคอมมานโด อันเป็นปืนประจำมือของคริสติน่าส่งให้เจ้าของแล้วพลิกกลอนหันหลังช่วยดึงสายรัดของเครื่องหลังให้แน่นกระชับจากนั้นทั้งสองก็เคลื่อนที่ติดตามพักพวกที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนแล้วเห็นหลังกันอยู่ในระยะที่ไม่ห่างเกินกว่าจะตะโกนถึงสิ่งวิทยุจากสแตนลีย์ร้องเร่งมาให้ทั้งสองกระชั้นชิดเข้ามาอีกซึ่งเชอวูดก็ตอบไปว่าไม่ต้อง่วง กำลังตามติดขึ้นมาแล้วส่วนตัวเขาเองก็คอยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงชุดบ้างดึงบ้างนำเอาคริสติน่าผู้ขณะ น, นี้รู้สึกว่าจะอ่อนเปรียบรีแรงลงไปมากให้เคียงคู่ไปด้วยกันนี่คุณจะบอกความจริงอะไรให้เอาไหมเขากระซิบกระหล่อนในลักษณะสนทนากันเบาๆระหว่างไต่ทางขึ้นไปด้วยกัน อะไรบุตรก็เมื่อกี้นี้คุณบ้าคลั่งลืมตัวไปชั่วขณะก็เหมือนเหมือนกับผมในตอนแรกที่เพิ่งหลุดออกมาจากกองไฟได้นั่นแหละซึ่งตอนนั้นคุณกลับเป็นฝ่ายคุมสติได้ดีที่สุดแต่ไงถึงได้มาลืมตัวเองในตอนหลังก็ไม่รู้สิหมายความว่าไงหล่อนถามซอยเปลือกตาทีๆและไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถจําเหตุการณ์ในตอนนั้นได้จริงๆเอาก็อยู่ไม่อยู่ขณะที่เรานั่งพักดูทะเลไฟกลางทุ่งกันอยู่คุณก็ลุกขึ้นอย่างพลวดพราดเหมือนคนบ้าจะแล่เราไปค้นหาระพินในกองไฟนัง่งรู้ปะพวกเราต้องจับซะทัด yeah. นแย่งั้นเลยนล้งไงต่อไปคริสร้องถามมาแต่คิดกับสแตลลี่ขนาดตัวโ ต, ว ต, วตว เข้ามาตะครุบแขนคุณคนละด้านยึ่งแทบเอาว่าไม่อยู่คุณดิ้นสะบัด ร, ร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งผลที่สุดเบนนั่นแหละเข้ามาต่อยอปลายคางคุณหลับไปเลยแล้วก็จับฉีดยาระงับประสาทพอคุณฟื้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกครั้งอาการก็สงบลงไปได้ก็เป็นเวลาเดียวกับที่ระพินเรียกวิทยุรายงานเข้ามาพอดีแม่ผมทองเป่าลมออกจากปากแล้วเอามือตบขมับตัวเองเบา ฉันฉันจําเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้จริงๆนะรู้สึกว่าครั้งสุดท้ายสมองตอนนั้นมันตึงเครียดแทบระเบิดขอบคุณทุกคนที่ช่วยยับยั้งฉันไว้ไม่ให้วิ่งเข้าไปหากองไฟถึงเดี๋ยวนี้ฉันก็ยังนึกไม่ออกจริงๆนะว่าทาไมฉันถึงต้องทําอะไรอย่างไร้สติแบบนั้นแล้วก็เฉยๆซะนะคุณอย่าไปพูดอะไรเรื่องนี้อีก พวกคุณทุกคนน่ะเขาสั่งกันไว้ไม่ให้เอ่ยถึงหรือพูดอะไรกับคุณอีกในเรื่องนี้ก็กะไว้คุณลืมเหตุการณ์ตอนนั้นไปซะเลยนี่ผมก็แอบมกักซิบให้รู้ตัวว่าเกิดอะไรกับคุณบ้างในตอนนั้น <c oughs> คนเราต่อให้ดูว่าแข็งแกร่งสักขนาดไหนก็ตามบางขาะก็แสดงความอ่อนแออ่อนไหวออกมาให้เห็นได้ไ ง, ง่ายๆเหมือนกันนะ คริสติน่ากล่าวเหมือนรำพึงขณะที่เนียวแขนของเขาไต่แง่หินขึ้นไปมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของจิตใจในขณนะนั้นนะ่ะนะตลอดจนสิ่งแวดล้อมด้วยตอนนั้นคุณนะเครียดจริงๆแล้วก็เก็บกดความรู้สึกไว้มากเกินไปจนกระทั่งมันระเบิดตอนที่เราฝากกองไฟกันออกมาใหม่ๆนะ คุณก็ไม่ได้สอให้เห็นว่าคุณจะมีความห่วงใยอะไรระพินเลยจนนิดเดียวหล่ตอนพวกลูกหาให้หนีออกไปให้พ้นรัศมีของไอไฟยอย่างเกลี้ยวกราดดุดันที่สุดผมดูคุณตอนนั้นแล้วบอกตรงๆว่ากลัวใจแล้วก็เห็นว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เฮี้ยมที่สุดใครเดินช้าหรือมัวแก่ๆกังๆอยู่คุณถีบหัวสุนไปเลยขนาดนั้นน่ะผมนึกเกลียดคุณอย่างที่สุดบอกกับตัวเองว่านี่ละมะ แกนแท้จริงใจของคุณแต่แล้วพอเรามานั่งรอคอยรับพินกันอยู่เวลาล่วงเลยผ่านไปไปลำดับไฟก็ยิ่งหูมเต็มทุ่มคุณก็สุดที่จะฝืนทำเป็นใจแข็งหรือเหี้ยมเกรียมต่อคนคนนั้นต่อไปได้ถึงกับเผลอสติวิ่งจะลงไปตามเขาในกองไฟซึ่งก็เห็นเห็นอยู่ชัดๆไงว่าขืนปล่อยคุณไปก็เท่ากับลงไปตายท่านะั้น คริสติน่ายิ้มฝุดๆืนวุ ด, ดแต่ฉันว่าในบรรดาพวกเราทั้งหมดไม่มีใครเที่ยมแล้วก็ใจดำเท่ากับคนคนนั้นหรอกครึ่งหนึ่งของเขาก็ยังไม่ได้คุณอย่าเพิ่งไปทำสีหน้าแปลกใจหรือพยายามโต้เถียงออกรับแทนเขาเลยฟังฉันแล้วก็ใจตรองพวกเราทุกคนน่ะคิดเป็นทุก เป็นห่วงกังวลเขาจนทำอะไรไม่ถูกขณะที่นั่งรอกระสับกระส่ายกันอยู่ตรงเนินนั้นตัวเขาเองหนีรอดพ้นจากไฟคลอออกมาได้จะคิดสักนิดก็ไม่ได้ว่าพวกเรากําลังห่วงกันอยู่ถ้าเขาเพียงแต่จะวิทยุบอกเรามาเสียงตื่นเนื่นว่าเขาพ้นอันตรายแล้วและกําลังเดินทางไปดักรอยอยู่ข้างหน้าเราก็จะสบายใจกันว่า กันกว่าที่แล้วแต่นี่คุณเห็นไหมเขาเงียบไปเฉยๆไม่สนใจใยดีอะไรทั้งนั้นเดินไปจนกระทั่งถึงจุดหมายที่ตัวเองต้องการแล้วถึงจะวิทยุแจ้งให้เราทราบเมื่อฝ่ายเราตื่นตั้งยินดีและสอบถามเขาเกี่ยวกับเรื่องความตกใจของเราคุณฟังไม่ออกเหรอหางเสียงของเขายังสแสดงความหงุดหงิดรำคาญซะซังไป ในกรณีที่พวกเรามัวแต่บ้าห่วงเขาไม่เข้าเรื่องคนใจดำก็เป็นงี้แหละมาหาหินเลยรบพินใครวันคนนั้นน่ะหลอนเน้นเสียงอย่างคับแค้นใจคริสคุณและพวกเราทุกคนมีสิทธิ์จะคิดน้อยใจได้ในข้อนี้แต่เราก็ควรจะให้อภัยเขาเสเถอะเพราะก่อนที่จะลงความเห็นอะไรลงไป คุณจะต้องดูอุปนิจใ ย, ยดั้งเดิมของเขาให้เห็นชัดซะก่อนล้วพินเน่ยเป็นคนแบบนี้เองไม่ชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ตรงข้ามเรื่องใหญ่นะเขาตัดพยายามทำให้มันเป็นเรื่องเล็กแล้วก็ผ่านๆไปซะอย่างง่ายๆไม่ต้องรู้อื่นใกลอะ่ะขนาดตัวเองจับไข้แทบเป็นแทบตายเขาก็ยังไม่พยายามจะบอกให้เราทราบหรือขอความช่วยเหลืออะไรจากเราเลยเขาไม่ต้องการให้เราเห็นว่า เขาเป็นคนอ่อนแอหรือมีจุดอ่อนในกรณีไฟไหม้ล้อมทุ่งเต็มไปหมดนั่นก็เหมือนกันพวกเราเน่ยเป็นห่วงเขาแต่เขาถือว่าเขาหลีกหลบมันออกมาได้ง่ายๆก็เลยนึกเดือดดานไม่พอใจพวกเราที่โมไปคิดว่าเขาน่ะถูกไฟคลอกตายไม่มีปัญญาจะหนีออกมาได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการดูถูกฝีมือเขาถ้าคุณอ่านให้ลึกได้อย่างนี้คุณก็ไม่จําเป็นจะต้องมาคิดอยู่ว่าเขาเป็นคนใจดําใจหินน่ะ โอเคบุษฉันรู้จักเขาน้อยกว่าคุณซะอีกอ้ว่าแต่นี้เวลาเท่าไหร่แล้วล่ะเชิดบุดหัวเราะเอาแต่คุณถามเวลาผมตอนนี้ผมก็หินต้องเล่นวิธีเดียวกับรพินน่ะคือดูตะวันซึ่งก็ไม่แน่ว่าผมจะบอกเวลาได้ตรงเพงแม่นยำเท่าเขาหรือเปล่าคุณลืมแล้วเหรอนาฬิกาข้อมือของผมนะ่ะบ่านนี้มันทงทิบหายไปแล้วแต่ตอนหินมันถล่มใส่เราวันนั้นน่ะ ตอนนี้ผมมีนาฬิกาใช้เมื่อไหร่แต่นาฬิกาคุณน่ะที่ยังอยู่แม่ผมทองจึงเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้หล่อนหัวเราะเบาๆตบแขนเสื้อตัวเองขึ้นมาดูนาฬิกาเดินป่าของหล่อนบ่ายมากแล้วล่ะสิบสี่นาฬิกาสิบสองนาทีงั้นนี้เราจะพบเขาเมื่อไหรกันเนี่ยก็เห็นเขาบอกว่าให้ตามบุญคำไป ก็ไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงมั้งคุณหิวไหมโถเอาที่ไหนไม่หิวห่อคุณสำหรับความขวัญหนีดีฟอที่ผ่านมายกๆยกนะ่ะนี่ขอร้องไรหน่อยนะวุฒิถ้าพวกเราไปพบเขาแล้วอย่าบอกเรื่องที่ฉันจะแล่นตามลงไปดูเข้าในทะเลเพลิงนั่นโปรดเถอะนะครับรับรองผมจะไม่ยอมให้เขารู้เป็นอันขาดว่า ส่วนลึกของใจคุณมีต่อเขายังไงฉันว่าคุณเข้าใจผิดนะบุตรเข้าใจผิดอะไรยังไงก็จะคิดว่าฉันเครซี่เขา่สิอ่ะแ้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอหล่ลนไหวไหลเชิดหน้าขึ้นประกาศเกล้าแข็งฉันเป็นห่วงเขาเป็นห่วงอย่างเดียวกับทุกคนของพวกเรา ที่จะพึงเป็นห่วงแต่ลูกจ้างนั่นแหละไม่มีเขาสักคนเดียวพวกเราก็เดินทางต่อกันไม่ได้คุณไม่ได้รักเขาเหรอคริสนี่คุณฉันไม่เคยบอกคุณไว้ก่อนซ้ำแล้วซ้ำอีกหรอกเหรอว่าเกิดมาฉันไม่เคยรักใครเอาเอาเอาจะพยายามเชื่อ โดยการนำของบุญคำซึ่งแม่นยำต่อทิศทางอย่างยอดเยี่ยมปีนไต่ขึ้นไปตามไหล่เขาตะพักแล้วตะพักเล่าโดยมุ่งเข้าหาแนวระหว่างหัวปีกด้านซ้ายของภูเขารูปนกอินทรีซึ่งเป็นทิวหลังฉากทะมึนอยู่เบื้องหลังเวลาที่ระพินตะไว้ให้ครึ่งชั่วโมงแทบจะตรงเพีงคลาดเคลื่อนแค่ไม่เกินสองนาทีเท่านั้น ต่พรานเท่าก็นำมาถึงยอดเนินเขาลูกที่ขึ้นมานั่งพักดูไฟกันอยู่เมื่อครู่ใหญ่นี้ตำแหน่งนั้นเป็นเพิงหินร่มในหมู่ไม้เตี้ยยอุดมไปด้วยโขดหินสูงๆต่ำๆเงาร่มรื่นแต่แห้งแล้งร่างสันทั์ของมักคุเทศนำทางกำลังนั่งเหยียดเท้าสูบบุหรี่หลังพิงแง่หินก้อนหนึ่งคอยอยู่ก่อนแล้ว เสียงบุญคำร้องตะโกนเรียกส่งเสียงทักขึ้นก่อนแล้วายหน้าเข้าไปทันทีจากนั้นกลุ่มนายจ้างมริกันและพวกลูกหาบก็ปรีตรงเข้าไปทันทีขณะที่ร่างนั้นก็โบกมือช้าๆเป็นสัญญาณเรียกปรงหาบกันตรงตำแหน่งนั้นกลุ่มนายจ้างทั้งหมดเดินเข้าไปรายล้อมเขาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างของชายผู้นั้นปกติจะมีก็แต่รอยดำๆ ข, ของขี้เท้าจากแสก ที่เกาะติดอยู่ตามลำแขนและใบหน้าซึ่งบตดนี้ถูกเช็ดออกด้วยผ้าขามาแต่ก็ยังเหลือคราบขมุกขมอมอยู่เท่านั้นสแตนลีย์คิดและอิสเบอร์พอเข้ามาถึงก็โครงหัวอย่างระอาใจแต่ทุกคนก็ยิ้มแยม้มส่วนคริสตินา่าสุดกายลงนั่งห่างออกมาเล็กน้อยหลอนพินิษดูเขาอยู่เช่นกันลงนั่งแล้วก็กินอาหารนะครับ เราจะพักกันที่นี่จนกว่าจะหายเหนื่อยไม่มีอะไรรีบร้อนนั่นเป็นประโยคแรกที่เขาเอ่ยบอกพร้อมทั้งสั่งการไปรยังพวกของบุญคำสองสามคันนี่คุณไม่อยากจะต่อว่าอะไรเลยนะแต่คุณก็ทำให้พวกเราใจหายใจความอยู่เป็นเวลานานพอสมควรเช่หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลีย์เอ่ยขึ้นขณะที่ช่วยกันเปิดอาหารกระป๋องแจกจ่าย การไม่ส่งข่าวให้ทราบซะก่อนเนิ่นๆถือเป็นข้อบกพร่องของผมก็ขอไปทุกคนด้วยครับผมก็นึกว่ามันไม่มีอะไรมากก็เลยไม่ได้วิทยุติดต่อไปแล้วก็เป็นความผิดของผมเองที่เผาทุ่งหญ้าบริเวณนั้นชะจน์กลายเป็นทะเลเพลิงแทบจะครอบพวกเราตายกันหมดพอเห็นว่าพวกเราพวกคุณรอดพ้นแนวไฟปลอดภัยกันออกไปได้หมดผมก็โล่งอก ผมเองก็ต้องเพ่นหนีอ้อมไปไกลลิฟเลยตามออกมาทางเดียวกันไม่ไหวพวกคุณก็ไม่ได้กดสัญญาณวิทยุเรียกผมเองนี่ถ้ากดเรียกมาผมก็คงตอบไปนานแล้วแต่นี่เมื่อไม่เรียกก็เข้าใจว่าทุกคนคงทราบแล้วว่าผมไม่ได้เป็นอะไรคุณมันบ้องอระรพินแบนผู้ตามปกติแล้วไม่เคยมีอารมณ์ร้ายเลยบับนี้ตาเขียวจ้าตะหวาดแวดมา ก็เราคิดว่าคุณถูกไฟย่างสดไปแล้วทีถึงไม่ได้วิทยุเรียกเข้าไปทั้งคุณต่างหากควรจะเป็นฝ่ายวิทยุมาถึงเราก่อนในเมื่อคุณเองปลอดภัยแล้วนี่อะไรกันเงียบชีไปเลยมาพบหน้ากันแบบนี้ขอตบสักฉาดได้ไหมจอมพราน ย, ยิ้มออกมานิดนึงจากดวงหน้าที่กร้านเกรียมเหมือนหินสลักเอาสิ ถ้าตบแล้วจะทำให้คุณหายตกใจไม่เข้าเรื่องได้เชิญเลยหมอเบลแต่บอกกล่าวก่อนนะหน้าผมหนาหนาแข็งมากด้วยมือคุณจะเจ็บหรือเปล่าอิซาเบลหันไปทางแม่เพื่อนสาวผมทองซึ่งนั่งสงบอยู่พยักหน้าเรียกคริสเขาว่านุญาตนะจัดการได้เลยตบเพแรงที่สุดเท่าที่เธอจะตบได้ นึกจะซัดปลายทางด้วยกําบั้นสักผั ก, ก็ได้มันจะได้คุ้มกับความวิตกของเธอมาตา ก, กี่นี้ไงคริสติน่ากลับตอบมาด้วยเสียงเรียบเรียบว่าเขารอดตายมานั่งกระดิกเท้ารอคอยเราตะเกียกตะกายไปยินภูเขาไต่าตามคําสั่งของเขาขึ้นมาจนพบนี่ฉันก็ดีใจแล้วมันเป็นความโง่เซื่อของพวกเรากเองต่างหาก ที่คิดว่าคนอย่างเขาจะได้รับอันตรายไม่ควรจะโทษเขาแต่ควรโทษพวกเรากันเองที่รู้จักเขาน้อยไปรับพินไพร์วันคว้ากระป๋องเครื่องเรชั่นลุกขึ้นเดินมาสุดกายนั่งข้างๆคริสติน่าคริสผมรู้ว่าคุณโกรธผมมากกว่าใครในบรรดาพวกเราสิต่อหน้าผมสักที ก็ยังดีกว่าที่จะด่ากันด้วยวาจาที่ฟังดูสุภาพแต่แสบร้อนกว่าไฟที่ผมเผชิญมาสิแล้วพรานใหญ่ก็เอี้ยวหลังให้ดูอ่ะดูซ่ะหลังผมเป็นไงมั่งคริสติน่าเห็นข้าก็แทบพังอ่ะร้องลั่นออกมาทุกคนแปลกใจผุดลุกขึ้นมาดูแล้วก็ตะลึงไปตามๆกันเสื้อเดินป่าของระพิน บริเวณแผ่นหลังส่วนหนึ่งมีรอยไฟกินขาดไหมเข้าไปประมาณฝ่ามือเสร็จเบนกระโดดถุงออกมาอีกคนหนึ่งโวยลั่นอ้ารับินนั่นคุณถูกไฟลวกเหรอตายละไม่ตายคุณประโทถ้าตายจะมานั่งพูดกับพวกคุณได้ยงไงเขาบอกมาหน้าตาเฉยหมอเบนกับคริสติน่าช่วยกันดูโดยลืมกินอาหารลงชั่วขณะ แล้วก็พบด้วยความอัศจรรย์ใจว่าบริเวณผิวหนังตรงที่ไฟกินเสื้อขาดไปนั้นมีรอยเพียงแค่แดงเป็นผืนไปเท่านั้นไม่ถึงกับไหมพองอย่างใดทั้งสิ้นเบนทดลองใช้นิ้วแตะเบาๆแล้วถามว่าปวดแสบปวดร้อนไหมโอ้โน no. เย็นดีสำหรับนิ้วของคุณทุกคนหน้าตื่นงงงันไปหมด อะไรนี่ไฟลวกขนาดเนี้อ่คุณยังไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอระพินดรสแตนลีย์ร้องขึ้นมันก็ไหม้เสื้อผมไปส่วนหนึ่งแต่ผมดับทันอีทีแรกก็แสบๆนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วพวกคุณยังดีกว่าผมมากที่ยังไม่ถึงกับเสื้อผ้าไหมย้ยิ่งกว่านั้นผมก็ยังต้องวิ่งหนีไฟที่ไล่ล้อมเข้ามาอีกนับเป็นไม่ไม่เหนื่อยแทบตาย เอเวลาที่ไหนมาพูดวิทยุกับพวกเราได้ละ่ะเนบนวิ่งไปเอาขี้พึ่งทาแก้ไฟลวกมาแต่เขาเบี่ยงหลังหลบไม่ต้องไม่ต้องอะหมอผมไม่ได้เป็นอะไรละหนังผมอะมันหนาเกินกว่าที่จะพองได้ต้องห่วงหรอกไปช่วยจัดการกับลูกขาบของเราดีกว่าใครไม้ใครพองตรงไหนก็เขาทาซะไอ้ผมนั่นไม่เป็นไรหรอกแลยวถ้าใครอยากตบอยากต่อยก็ ตามสบายทุกคนอึ้งสเตนลี่จุ๊บปากเบาๆมองดูรพินอย่างเห็นใจเบนชงกหน้าเข้ามาจุ๊บริมฝีปากที่แก้มเขาเบาๆกล่าวว่าขอโทษด้วยนะรพินที่ฉันกลาดเกลี้ยวไปกับคุณตะเกียดโดยแท้จริงแล้วคุณน่ะโดนหนักมากกว่าพวกเราสิแล้วแม่ผมแดงก็หันมาทางเพื่อนสาวที่ยังนั่งตะลึง จ้องเขาอยู่บอกว่านี่คริสอย่าวพิ่งไว้ใจนะเดี๋ยวกินอาหารเสร็จแล้วเธอช่วยตรวจดูรอยไหมเสื้อตรงนั้นของค่อยละเอียดด้วยฉันไม่อยากจะเชื่อว่ามันไม่พองหรือไม่เกิดอันตรายอะไรขึ้นมาหรอกพลาดลังยังไงจะเกิดอักเสบเป็นแผลเฟอ้อักันขึ้นมาแล้วก็แย่ yeah, ทีเดียวระพินขอดูหลังคุณอีกครั้งเถอะ คริสติน่าวางอาหารกระป๋องในมือลงทันทีเสียงสเตนลีและคีดร้องขอมาอีกสองแรงด้วยความเป็นห่วงเพื่อเขายอมให้ตรวจโดยละเอียดจอมพลานยิ้มออกบานิดหนึ่งหมุนตัวหันหลังให้คริสติน่าโดยดีอดูสิหนังหรือเนื้อหลุดแหวงออกมามั่งหรือเปล่าในเสื้อตรงนั้นนะไม่ต้องไปพูดถึงนะมันไหม้ไฟหมดแล้ว ขณะที่กำลังก้มลงพิจารณาดูอย่างระมัดระวังคริสตินาก็ถามว่านี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณลงถ้ามันไหม้เสื้อตอนหลังของคุณได้แบบนี้ใช่ไหมมันก็น่าจะไหม้เสื้อผ้าส่วนอื่นของคุณไปพร้อมกันด้วยแต่นี่มีอยู่แห่งเดียวเท่านั้นเองตอนนั้นผมวิ่งผ่านต้นไม้เล็กๆที่ไฟกำลังโหมอยู่อะ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 นอกจากรอยแดงอย่างที่เห็นแต่แรกเท่านั้นคริสติน่าตรวจอยู่นานทีเดียวค่อยๆใช้ผ้าสะอาดแตะซับแผวเบาแล้วสอบถามความรู้สึกว่ามีอาการปวดหรือแสบไหมแต่รับินกลับหัวเราะเฉยประหลาดที่สุดแผ่หลังบริเวณนี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยคริสติน่าบอกขึ้นดังๆแก่ทุกคน หน้าตาตื่นพินขยับเสื้อเข้าที่แล้วลุกขึ้นเดินหนีมานั่งที่เดิมระหว่างและหมดความสนใจในเรื่องนี้ไปแล้วเชิตวุฒก็เดินย่องกริบตามหลังพรานใหญ่ออกมาเมื่อเห็นเขาุกขึ้นจะเดินไปตรวจดูข้าวของสัมภาระเขากระซิบเรียกเบาๆพี่พี่เดี๋ยวรอเดี๋ยว ระพินหยุดรอพอเชอิดวุตเดินเข้ามาใกล้ก็เลิกคิ้วเหมือนจะถามถามจริงอ่ะพี่พี่มีอะไรดีอ่ะไฟมันถึงทำอะไรพี่ไม่ได้ขนาดเสื้อมยังไหม่แบบนี้น้งยังไม่พอแม้แต่นิดเดียวระพินกอดคอเชอิดบุตให้เดินไปด้วยกันแล้วค่อยๆปริ้นผ้ายันสีแดงเล็กๆในกระเป๋าเสื้อออกมาแง้มให้ดูในนั้นมีวัตถุอะไรชนิดนึง ทำด้วยโลหะเป็นรูปพระปิตพวานทั้งเก้าองเล็กนิดเดียวแร่บางไยเขากระซิบแล้วก็บันจงห่อตามเดิมยัดลงไปในกระเป๋าเสื้อของเชิดบุตรอะไอ้น้องเก็บไว้พี่ให้เลยไฟนะไม่ได้แอมหรอกเวลาหิวน้ำก็ให้เอาขึ้นมาอาราธนาและอมไว้ จะไม่หิวน้ำเลยเหมือนกันเชิดวุฒตลึงตัวสั่นด้วยความปิติปลาปลืม้มและงงงันเหลือที่จะกล่าวอ่ะแล้วพี่อ่ะต่อไปนี้จะอะไรคุ้มอ่ะรพินขยิบตาให้ตบหลังเบาๆปะโ เ, เรื่องเล็กไอพี่นะมันสารพัดที่จะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วคุณเอาไว้ใช้เถอะ เรายังไม่แน่ว่าจะเผชิญกับไฟนรกอีกเมื่อไร่ไม่ใช่คุ้มเฉพาะตัวเท่านั้นนะคุณกอดใครไว้ให้แน่นกระชับคนนั้นก็จะรอดปลอดภัยด้วยท่ามกลางพระเพึงที่หูมรอบ ด, ด้าน <c oughs> ว่าแต่คุณจะเลือกกอดใครคริสหรือเบรหรือว่าทั้งสองคนตาวจบแค่นั้นละพินก็พลัตรงก็ไปหากลุ่มพรานพื้นเมืองของเขากับอุทะ ฮัตโต้และพวกลูกหาบที่กําลังโจ้เนื้อย่างรมควันกับข้าวที่เหลือห่อมาตั้งแต่เช้าวันนี้พานพื้นเมืองและกลุ่มลูกหาบเงยหน้ามองเขาเป็นตาเดียวไม่มีใครสักถามหรือพูดอะไรกับเขานอกจากสายตาเท่านั้นที่แสดงถึงความยินดีแต่ก็ไม่มีอะไรสัญลักษณ์อะไรแสดงให้เห็นเด่นชัดนักตามวิสัยของลูกป่าซึ่งการเผชิญภัยกันอย่างถึงเลือด หรือต่อให้ถึงกับชีวิตก็ถือเป็นเรื่องพื้นพื้นประจำวันที่พวกเขาเหล่านั้นรู้จักกันดีอยู่แล้วไอ้ น, นิสัยช่างผู้ช่างซักช่างสเสวงหายเหตุผลก็หาใช่วิสัยของคนพวกนั้นไม่เอาเป็นว่าเจ้านายของพวกเขาโผร่ไม้เห็นได้โดยอาการเกือจะเรียกว่าปกติธรรมดาที่สุดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยพวกเขาก็พอใจแล้วมันก็แค่นั้นเอง ระพินย่อนตัวหวบลงนั่งใกล้ๆคนทั้งสี่ของเขาที่กำลังกินอาหารกันอย่างเร่งรีบสำรวจดูคนทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วก็เบาใจที่พบว่าไม่มีใครมีอาการหน้าวิตกนอกจากมีรอยไหมพองกันบ้างคนละเล็กละน้อยขณะนั้นเชิดวุฒิที่เดินตามมาด้วยก็ซุดตัวลงนั่งร่วมวงอีกคนหนึ่งเดี๋ยวก็เตรียมเชือกมาได้แล้วล่ะบุญรำ ใครใครจะผูกคอตายนะนายตาเท่าถามมาหน้าตาเฉยแต่ยบุญคำสิจะผูกคอตายเริ่มจากจุดนี้เราจะไต่หน้าผากันแล้วก่อนข้ามจะปีนตลอดสัมปะทะสัมภาระเท่าของบางตอนน่ะจะต้องใช้วิธีสาวชักรอกกันขึ้นไปอย่างที่เคยทํามาแล้วเหมือนเมื่อครั้งไต่เขาครั้งนั้นตัดขึ้นทางด้านนี้นี่แหละพอมาถึง พบหน้ากินข้าวยังไม่ทันอิ่มก็ใช้งานเลยนายกรู้นี่ใช่ไงสุกอยู่ในกองไฟเป็นหมูหันจะรู้แล้วรู้หรอกพวกเราจะได้กลับบ้านนั้นสักทีแรืวยังไงจันแกบ่นอุบอยู่ในลำคอพรานใหญ่มองดูด้วยหางตาบุญคำรู้ทีรีบขยับตัวออกให้พ้นรัดสมีขาที่จะแกว่งมาถึงสีข้างก็ได้เชิดวุฒหัวเราออกมา เขารู้ว่าในบรรดาลูกน้องสนิทของระพินก็มีแต่เพียงตาเท่าสัพปปดกบุญคำคนเดียวเท่านั้นที่จะกลา้าพูจากระซาา้าเย้าแย่อะไรพรานใหญ่ได้และตัวเขาเองก็สนิทชิดเชื้อกับบุญคำมากที่สุดเพราะความขี้เล่นทะลึ่งโลนประกอบไปด้วยความรอบรู้สารพัดของแกช่วยทำบรรยากาศให้คึกคลื้นขึ้นมาได้แม้ในช่วงที่วิกฤตที่สุดอันเป็นตรงข้ามกับเจ้านายของคนเหล่านั้น ซึ่งเครียดขึ้เงียบเฉยซะจนหน้ากลัวและก็ทายอะไรไม่ถูกและก็จิงดังว่าขณะที่เชิดวุฒนั่งอยู่ด้วยนั้นทั้งรพิน์และคนเหล่านั้นไม่ได้พูดอะไรพลาดพิงไปถึงเหตุการณ์หน้ากลัวที่ผ่านมาแล้วเลยเหมือนจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดส่วนมากจะเป็นคําสั่งและการปรึกษากําหนดแนวเส้นทางบอกหน้าที่ให้รับรู้ไว้ว่าระวังไตเขา แต่ละคนมีหน้าที่อยงง่างไงมั่งสั่งการกับพวกนั้นเสร็จระพินก็ชวนเชิดบุตรเดินกลับมายังกลุ่มของนายจ้างซึ่งกินอาหารและดื่ม น, น้ำสูบบุหรี่คอยกันอยู่สตนลีย์คีทและอิซาเบลกำลังพูดคุยกันเบาๆส่วนคริสตินานั้นครึ่งนั่งครึ่งนอนรุปหมวกมาปิดหน้าไว้ดูเหมือนหล่อนจะมีอาการม้อยหลับไปชั่วขณะระหว่างการพักนี้ ทุกคนพร้อมหรือยังครับรรบพินเอ่ยถามขึ้นเบาๆเอากันเดี๋ยวนี้เลยเหรอสลี่เลิกคิวถามครับเขาว่ากันว่าเวลาและสายน้ำไม่เคยรอคอยใครเราต้องการทำเวลากันอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับถ้กใครยังไม่หายเหนื่อยอยากจะพักอีกสักครู่ก็ได้นะครับไร้แมน we are ready อิสเบนตอบแทนทุกคนพร้อมจะขยับลุกขึ้นแต่รพินกดไหลไว้ก่อนที่หล่อนจะทันยืนและตัวเองก็ซุดลงนั่งด้วยเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันให้รู้แน่ชัดอีกสัก3ามสี่นาทีก่อนเคลื่อนที่นะครับประเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกอะไรให้รู้ร่วมหน้าอืมเราก็กำลังรอคอยที่จะให้คุณพูดอยู่เหมือนกันทําไหม ในผมทรงลานบินถามสวนมาห้าวๆขอผมถามสักนิดนะครับคงไม่คิดว่าจุนจ้านหรือเสือไม่เข้าเรื่องแน่นอนคือผมอยากทราบว่าทดลองติดต่อสถานีลอยแหล่งสั่งการของพวกคุณดูแล้วหรื อ, อยังอ่ะครับผมอยากจะทราบว่าขณะนี้พวกเขาพอจะรู้พิ ก, กัดของเราหรือไม่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน ขณะพูดเขาก็คลี่แผนที่ทางยุทธศาสตร์ของฝ่ยงายมริกันและลายแทงเก่าแก่ของมังมหารนราออกมาวางเทียบใกล้ๆกันโดยไม่ได้มองดูคนหลังนั้นเลยแต่ตาจับอยู่เฉพาะแผนที่กับลายแทงเท่านั้นข่าวดีระพินหัวหน้าคณะทาหน้าที่ตอบแทนมาด้วยเสียงแจ่มใสขึ้นเมื่อกี้อาทิตติดต่อกับหอบังคับการลอยได้แล้วล่ะ เสียงใสชัดเจนมากและก็เป็นการติดต่อที่พูดกันได้รู้เรื่องมากที่สุดนับตั้งแต่เราออกจากโป่งน้ำร้อนมาเขารู้พิกัดเราแน่นอนละตรงตำแหน่งนี้พร้อมกับพูดสเตลีชงโงกไปยังแผนที่ของเขาที่กลางแผ่อยู่กับพื้นหินใช้ปากกาลูกลื่นกากระบาดเป็นเส้นเบาๆลงไปอย่างที่หมายแห็นเทือกเขาตำแหน่ง หนึ่งมืสามพันสี่ร้อยยี่สิบสามตอนเหนือของลำน้ำสาลวินระดับสูงกว่าน้ำทะเลห้าพันสี่ร้อยฟุตถ้าข้ามลำน้ำไปก็เข้าเขตรักว่าของสาภาพพม่าแล้วโดยยังไม่เลยเงยหน้าขึ้นเขาถามเรียบๆต่อไปว่าแน่ใจหรอครับว่าความเข้าใจของทั้งสองฝ่าย คือเราข้างล่างและเขาข้างบนถูกต้องใน่ใจที่สุดคุณคิดเป็นคนบอกอย่างหนักแน่นแล้วเขาบอกว่ายัางไงมั่งครับเราบ่ายหน้าเข้าเส้นทางที่ถูกต้องตามข้อสันนิษฐานของเขาหรือเปล่าฉันคิดและสเตลลีย์ยิ้มออกมาอย่างพอใจในายคิดเข้ามาโอบกอดไหลเข้าไว้อืม เขาบอกว่าเราบ่ายหน้าเข้าไมในแนวเส้นทางที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วโดยทิตที่เขากำหนดไว้ทั้งหลายแหล่น่ะมันเป็นพราะสมรรถภาพในการนำของคุณเป็นคนเดียวการติดต่อระหว่างเราก็หอบังคับการขาดไปหลายวันพอติดต่อกันได้ซักซ้อมกันก็ปรากฏว่าถูกต้องฮิตต์ทาเก็ตประโยคหลังพันเอกแห่งยูเอสอามี ผู้เชี่ยวชาญการบินหัวเราะลั่นออกมาอย่างยินดีสบายอกสบายใจเป็นอย่างยิ่งรับพินกระโดกปลายลิ้นออกมาแตะริมฝีปากตาเหลือบเทียบกับลายแทงซึ่งไม่มีใครจะเข้าใจได้ว่าขเขาเปรียบเทียบคํานวณหาที่หมายอะไรปากก็บอกเบาๆว่าถ้างั้นผมก็สบายใจได้เปละอนึ่งแล้วมีข้อแนะนําอะไรบ้างไหมจากข้างบน เขาก็กำชับให้เรามุ่งองศาเหนือโดยตลอดนะแล้วก็ตือนให้ระวังพายุฝนก่อนค่ำวันนี้หรืออย่างช้าก็ในเวลากลางคืนก่อนเที่ยงคืนนักคิดก็แหงหน้ามองท้องฟ้าบอกต่อไปว่าเราดูจากข้างล่างนี่มองไม่เห็นเ้าฝนเลยแดดมันจ้าแรงยังกะจะย่างให้สุกนั่นแหละแต่ข้างบนมีเครื่องมือจับการเคลื่อนไหวของสภาพอากาศ ได้เหนือกว่าสายตาเปล่าของเรามาก๋รู้ไหมเดียพีนไอพวกข้างบนน่ะมันประหลาดกันใหญ่เลยว่าเราเดินกันยังไงมันถึงรวดเร็วไม่น่าเชื่ออย่างนี้มันบอกว่าแต่ละคนมีปีกบินกันได้หรื อ, อยังไงข้างบนน่ะสังเกตเห็นควันไฟจากไฟไหม้ทุ่งด้วยเรารายงานให้รู้แล้วว่าพวกเราน่ะผ่านพ้นทุ่งบนที่ราบสูงนั่นมาได้เรียบร้อยแล้วหัวหน้าคณะเสริมมาอีกคนหนึ่ง ยิ้มยิ้มครับผมก็ทราบมานานแล้วล่ะว่าเครื่องมือในเครื่องบินแบบใช้งานจารกรรมของพวกคุณมีอุปกรณ์ทันสมัยรา ก, กะดวงตาของพระเจ้าที่จะมองเห็นอะไรข้างล่างได้เสียอย่างเดียวไม่สามารถจะตรวจหาตำแหน่งตกแน่นอนของบีห้าลำนั้นได้นอกจากจะระบุบริเวณไว้ในพื้นที่บนผิวโลกที่กว้างขวางเหลือเกินแล้วล่ะ ถ้าจะลองดูกันถ้าวิทยุยังสามารถติดต่อกันได้แบบนี้มันก็ช่วยเราได้เป็นอย่างมากลักษณะของภูมิประเทศในตอนนี้เนี่ยเขาบอกลงมาหรือเปล่าครับว่ามองจากเบื้องสูงเห็นเป็นภาพยังไงมั่งก็บอกสั้นๆแต่เพียงว่าทิวเขาสูงแล้วก็ป่าทึบมากและจะสูงขึ้นไปทุกขนาดระพินไม่แสดงความเห็นอะไรในข้อนั้น ับแผนที่และลายแทงลงเป้หลังตัวอย่างที่ผมได้บอกไว้ก่อนแล้วตะ ก, กี้ต่อไปนี้ก่อน่้ำเราจะปีนเขากันตลอดทุกคนเตรียมอุปกรณ์ไต่เขาได้แล้วล่ะครับภายในสองวันเราจะตัดขึ้นปีกซ้ายของภูเขาใหญ่รูปนกอินทรีให้ได้และจากนั้นจะเป็นที่ราบบนเทือกเขาไปอีกระยะหนึ่ง อันตรายตอนนี้ก็มีแต่เฉพาะการไต่หน้าผาชันอย่างเดียวเพราะบางตอนจะต้องใช้เชือกหุ่นขึ้นไปแต่เราจะไม่รีบร้อนกันนะไต่ขึ้นไปตามสบายขึ้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นมีวางน้ํากว้างใหญ่อยู่บนเทือกนี้ตำแหน่งหนึ่งต้นทางของสายน้ําตกถ้าเป็นไปได้เราก็จะไปพักนอนกันอยู่ตรงนั้นมีอะไรจะเตือนเราบ้างไหมในการไต่เทือกเขาลูกนี้ อิสเบนถามมาบ้างก็นอกจากเรื่องให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังขณะที่บปยินไต่ไปตามแง่หินหรือหน้าผาชันบางตอนแล้วก็ให้ระวังในด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างกะตันหันของอากาศไว้ด้วยครับร้อนจัดหนาวจัดมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฉับพลันจนร่างกายอาจจะปรับไม่ทันไงไงคุณเตรียมยาไวให้ดีด้วยแล้วั ผมเกรงว่าพวกเราอาจจะมีใครเจ็บป่วยขึ้นได้อย่างกระทันหันขณะนี้ขอให้พวกคุณ ท, คทุกคนทราบไว้ด้วยว่าเราแตะทเท้าเข้าเขตที่ชาวป่าแถบนี้เรียกว่านรกดำนะครับทำไมถึงต้องเรียกอย่างนั้นด้วยละ่ะคุณอิสเบนถามมาอย่างไม่เดียงสาคำว่านรกดำได้ถูกเรียกขานกันมาอย่างนี้แต่บรรพการนานนมมาแล้วล่ะครับ สำหรับป่าหลงสํารวจเหมือนโลกร้างถัดจากไปนี้สาเหตุก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วคือใครก็ตามที่ดันทุรังจะบุกบั่นไปให้ได้จะไม่มีชีวิตกลับออกมาให้โลกภายนอกเห็นได้อีกเลยแต่พวกคุณไม่ต้องกังวลเราะเพราะอย่างน้อยผมก็เคยผ่านเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็กลับออกมาได้ด้วยทุกคนนิ่งไปอึดใจเราเชื่อคุณเต็มที่ กระพินแม้จะเป็นที่กล่าวกันว่าจะไม่มีใครโชคดีติดติดกันซ้ำสองครั้งหรอกอยังไงก็ตามในคราวนี้คุณน่าจะได้เปรียบกว่าการไปในครั้งแรกมากเพราะเครื่องช่วยชีวิตทางด้านวิทยาการก้าวหน้าของเราหนะึ่งมีมาพร้อมครับดกเตอร์ผมเองก็พยายามปลอบใจตัวเองอย่างนี้เหมือนกันไปยัง ประโยกหลังระพินพูดง่ายเหลือเกินไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยทุกคนขยับตัวยกเว้นคริสตินาคนเดียวที่ตลอดเวลาแห่งการหารือหล่อนนั่งพิงหินเอาหมวกปิดหน้านิ่งสงบไปโดยไม่ได้เข้ามาร่วมวงเลยระพินหันไปพบก็จ้องหน้าอย่างพินิษเขาสังเกตเห็นหล่อนอิดโรยโป้ป้อแ ป, อป้ไปมาก คิดกระเชิดวุดเดินเข้าไปเขย่าไหลเรียกเสียงอูอีก็ดังออกมาเป็นภาษาเดิมของเผ่าพันตนอาการเหมือนจะเผลอตัวว่าโอ้พ oh, ีสให้วนทูสลิปเมื่อนั้นรพินไทรวันก็ก้าวเข้าไปก้มลงตรงหน้าเอามือขยับปีกหมวกล่อนขึ้นก็เห็นหลับตาอยู่จึงดีดนิ้วเข้าไปที่ใบหน้า เสียงดิดนิ้วของเขานั้นทำให้หล่อนไพเย่เปลือกตาอันอิดโรยขึ้นคุณจะนอนที่นี่ไม่ได้ไม่งั้นอาจจะถูกทิ้งไว้คนเดียวเข้าใจไหมเสียงของเขาแวววเข้าไปกระทบโซตล์ประสาทของหล่อนแม่ผมทองเบิกตาโพลงอย่างรู้สึกตัวขึ้นมา ท, ทันทีมองไปรอบๆเห็นพักพวกรายล้อมมองเป็นตาเดียวมาก่อนแนละ้ว โดยเฉพาะผู้ที่นั่งอยู่ตรงหน้ากำลังจ้องขม็งเหมือนจะค้นหาความผิดปกติหล่อนจึงขยับตัวลุกขึ้นด้วยลักษณะแข็งใจและคิดกับเชิดวุธก็ช่วยกันเก็บปืนของหล่อนที่วางไว้ข้างตัวประคองไปพูดอะไรกันอยู่เบาๆผานใหญ่มองหน้าดอกเตอร์สแตนลีย์และหมอเบ์ถามว่าผมรู้สึกว่าคริสจะไม่สบายนะครับ ใววันนี้ท่าทางจะเปลี่ยระหูไปมากทีเดียวสแตนลีกับเบนมองดูตากันอึกอักเล็กน้อยแล้วหัวหน้าคณะก็ยิ้มขึ้มขึมครับใยวันนี้อาการของคริสไม่ค่อยจะดีนะักเบนก็เลยให้ยาระงับประสาทเข้าไปเลยทำให้ง่วงซึมยาระงับประสาทรพิโนทานขมวดคิว้ว ไรกันนี่เราจะต้องเดินทางกันเดี๋ยวนี้แล้วนะครับมันจําเป็นขนาดไหนที่คุณจะต้องให้ยาระงับประสาทในขณะที่เรากําลังไต่เขาประเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเท่านั้นแหละเบนถอนใจเบาๆเราอยากจะบอกความจริงแต่ก็ไม่กล้าจึงเลี่ยงไปว่าก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการ ง, ง่วงนอนหรอกคุณฉันเชื่อว่าคริสจะพอจะไปกับเราได้ แม้ว่าอาจจะเชื่องชาไปบ้างและถ้าไม่รังเกียจฉันก็อยากจ่าคุณประกบติดตัวเขาไว้ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในเส้นทางฉุกเฉินนี้เพราะพลาดทั้งยังไงคุณจะได้ช่วยทันการตามปกติคุณก็จะเห็นแล้วว่าคริสตัทรหดบึกบึ้นที่สุดแต่นาจยารังับประสาทจะทำให้เขาเชื่องช้าแล้วก็ง่วงนอนขาดความคล่องตัวไปบ้างจอมพรานขยี้จมูก สมบัตอะไรอุบอิฐในลําคอโธก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเดินหนักในวันนี้ไม่จําเป็นจริงๆคุณไม่น่าจะให้ยาประเภทนั้นกับคริสเลยปรเดี๋ยวก็ได้หล่นกันมามั่งครัก็มันจําเป็นนี่คุณคุณไม่ได้เป็นหมอคุณจะรู้ดีไปกว่าฉันได้ไงถ้าคุณไม่อยากดูแลคริสฉันดูแลเองก็ได้แล้วพินเดินตรงเข้าไปที่คริสติน่าทันที ขณะนั้นเชิดวุฒิกำลังเอากระดาษเคมีสำหรับเช็ดหน้าส่งให้หลอนลูบหน้าปลุกความรู้สึกอยู่คริสเราจะไต่เขาไหวไหมนี่คริสติน่าฝืนยิ้มพยักหน้าตอบสั้นๆว่าไหวอย่ากโกหกตัวเองนะคุณไม่มีใครจะรู้ได้นอกจากตัวคุณเองเท่านั้นะ่ะ ตอนนี้ง่วงจัดใช่ไ้ยแล้วก็ไม่มีแรงเขาขัดขันนี่คุณสุภาพบุรุษคริสติน่าเน้นเสียงชัดเจนผลัก อ, อกเขาเบาๆรพินเซหลังไปก้าวหนึ่งขอขอบคุณที่เป็นห่วงตอนนี้ฉันหายง่วงละแล้วก็มีแรงพอที่จะไต่ขึ้นสวรรค์ดิดิ่งนรกกับคุณได้เสมอ ไม่ว่าคุณจะนำไปทางไหนแต่ถ้าคุณคิดว่าฉันจะเป็นอุปสรรคถ่วงเวลาเดินทางของพวกเราแล้วก็เลิกคิดได้แล้วแววตาของพลันใหญ่ที่เคร่งเริ่มจะอ่อนโยนลงยิ้มให้น้ำเสียงก็นุ่มลงด้วยขณะที่ชี้ขึ้นไปอย่างเลาะยอดเขาลิบลิบคริสบนนั้นน่ะถ้าขึ้นไปถึง คุณจะมองเห็นสวรรค์จริงๆเพราะภูมิประเทศสวยงามมากมนุษย์น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้พบเห็นจะมีสะใหญ่น้ำใสสะอาดกอบัวบานสะพรั่งมีหงส์ขาวแล้วก็หงส์ดำลอยฟ้องและดอกไม้นาน า, นาพันธุ์แต่ก่อนที่จะปีนขึ้นไปถึงเราจะไต่ไปตามขอบของนรก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 และไม่อยากจะนอนหลับอยู่ตรงตำแหน่งนี้เหมือนนรกที่มันร้อนระอุราวก็อยู่บนภูเขาไฟ<ะ>ว่าแต่บนสวรรค์น่าจะมีเทพระบุตรไหมเทพระบุตรที่มีน้ำพระทยัยอันเมตตาดีงามให้กับความการุณแก่ผู้หญิงถอยๆสักคนหนึ่งกล่าวจบเพียงแค่นี้คริสติน่าก็เดินผะจากเขาเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกพลานพื้นเมือง ซึ่งบัตรนี้กำลังเตรียมตัวแล้วโดยกระชากเกม1ิจากมือของคิดติดตัวไปด้วยลักษณะเดินของหล่อนพ ง, งาดเต็ไมไปด้วยความสง่างามในคุณลักษณะเดิมโดยซ่อนแววอ่อนเพรียวไว้อย่างมิชิดรบพินไพวันยืนนิ่งแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบของเชิดบุตรว่าไม่เป็นไรพี่ เดี๋ยวผมจะคอยดูแลคริสตัวเองบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตทุกคนในคณะระบายลมหายใจยาวตบไหล่นายทหารรุ่นน้องพูดแผ่วเบาะวะ่ามุดไปเขาครั้งนี้พยายามระมัดระวังตัวคุณเองให้มากที่สุดเอาชีวิตของตัวเองไว้ก่อนที่จะไปคิดถึงคนอื่น